ทรงบัญญัตินักกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีจันดกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดกาลีอันภิกษุณีสงกล่าวอยู่ว่าแม่เจ้าท่านยังไม่ควรบวชให้กุลธิดารับคําแล้วภายหลังกลับบ่นว่า ในสิกขาบทที่หกนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสามสมุดฐานละ